พระธรรมเทศนาแผ่นที่83าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10มกราคม2 5 5 9มีชื่อเรื่องว่าพลังจิตพิชิตธรรม นามาจารย ได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงปู่ท่านในเทศนากว้างขวางเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอายุของท่านเ6ปีท่านได้แสดงธรรมให้ลูกหลานคณะาทห า, ายาตโยมได้ฟังได้ข น, นาดนี้หลวงพ่อยังเชิดชูบูชาว่า ความจำขององค์หลวงปู่ของเราเนี่ยเลิศประเสริฐจริงแล้วก็หลวงพ่อเองได้เข้ามาประนมมือกลาบเรียนถามองค์ท่านว่าองค์ท่านอยู่แคนาดาที่ไปประกาศศาสนาให้กับชาวต่างชาติเป็นยังไงหนอกับผมท่านก็อธิบายให้ฟังอย่างชัดแจ้งชัดเจน แนวทางของท่านที่ท่านอธิบายหรือ ว, ว่าธรรมเทศนาขององค์ท่านที่ท่านแนะนําชาวต่างชาติฟังๆเดี๋ยแล้วก็ซึ้งถ้าหากว่ามีองค์หลวงปู่อย่างหลวงปู่ของเราเนี่ยไปประกาศพระาศาสนามีทุกประเทศหลวงพ่อว่าพระพุทธศาสนาคงจะงอกเงยงอกงามไปในต่างถิ่นต่างแดน เพราะว่าท่านพร้อมด้วยความรู้ความฉลาดความสามารถขององค์ท่านที่ท่านได้นําแนวแถวที่ท่านได้ศึกษาอบรมมาเอาของจริงไปเผยแผ่ให้กับชาวต่างชาติตรงกันข้ามกับสมัยหลวงปู่เตืร์หลวงปู่เตืร์ท่านโพดแบบ ขั้นไม่เกรงใจใครออที่เป็นลุงปู่ตื้อหลุงปูแหวนแต่หลวงพ่อก็ได้ยินแต่หลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อท่านว่าหลวงปู่ตื้อบอกว่าถ้าหากพระบางองค์ไปประกาศพระศาสนาในต่างชาติเอาไข่เน่าไปให้ฝรั่งฟัดหลวงปู่ตื้อว่านะ อ, อ, อันนี้ก็คงจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เน่าทุกออทุก ท, ทุกโลกนะบางโลกอาจจะเป็นใครที่แท้จริงแต่บางไครบางโลกงคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อยังประทับใจสมัยเมื่อเป็นพระน้อยพระหนุ่เพราะฉะนั้นการประกาศศาสนาเรียกว่าการเผยเผยแ ผ, แผ่ธรรมะอย่างที่องค์หลวงพ่อที่ลุงพ่อได้กล่าวถามอีกกาพเรียนถามองค์หลวงปู่เมื่อกี้เนี่ย หลวงพ่อได้ยินแล้วก็ซึ้งในจิตใจแล้วก็ท่านก็ได้อบรมแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดังไป ท, ทั่วทั่วทุกหัวและแห่งเรื่องพลังสมาธิของหลวงปู่ของพวกเราคนนั้นวันนี้ก็เห็นผลแห่งการแนะนำสั่งสอนของหลวงปู่พวกเรา แต่เมื่อขา่าวเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อเองก็ได้มาแสดงธรรมอยู่ในจุดนี้เห็นพี่น้องประชาชนแล้วก็ล้นหลามแต่หลวงพ่อก็ได้แสดงความคิดเห็นมากหลากหลายเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิอนุสิทธิเป็นลูกเป็นหลานขององค์หลวงปู่คิดว่าพี่น้องประชาชนพาเนร น, น้องลุงทั้งหลายคงจะเข็ดกันมั่งแต่ปีนี้ก็เห็นจดหมายไป กราบหลวงพ่ออีกหลวงพ่อเขามองดูแล้วพ่อหลวงปู่เป็นต้นตระกูลของปลักกรรมฐานขณะนี้ก็มีหลวงปู่ของเราที่เป็นเชื้อสายของหลวงปู่มั่นที่เป็นเกือบจะว่าองค์สุดท้ายกว่าไดา้ที่ท่านยังมีความคิดระหว่างมีการแสดงทำแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนได้อยู่ นอกนั้นก็รู้สึกว่าโรครรยไปตามอายุสังขารเพราะนั้นผงหลวงพ่อเองมาเห็นจุดนี้แล้วก็ถึงยังไงหลวงพ่อยัง เ, เข้ามากระคระวะในท่านหลวงปู่ของพวกเราแต่ลูกหลานจะเรียกว่าหลวงพ่อก็เถอนะแต่หลวงพ่อนี่มั่นใจหลวงพ่อนี่สบายใจกว่าถ้าเรียกหลวงปู่เพราะเหตุว่าเพราะอายุของท่านเก้าสิบหปีปีนี้ 1 2 8 9 6เป็นปีสำคัญยิ่งขององค์ท่านเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่พวกลูกหลานแสดงออกซึ่งความกระจกรตันอยู่กตวเวทิตาที่องค์หลวงปู่ของเราได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอบรมสั่งสอนลูกหลานเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมาธิ ไม่ใช่ของแนะนำได้ง่ายๆถ้าหากว่าแนะนำผิดที่ผิดทางแนะนำไม่ถูกทางไม่ถูกต้องออทำให้หลงทางเป็นบ้าเป็นบอได้มากต่อมากเหมือนกันเพราะนั้นการจะศึกษาเรื่องการอยแนะนำสั่งสอนสิทธิหรื่าการที่พวกเราจะแนะนเข้าไปเรียนเข้าไปศึกษาอยากครูบาอาจารย์ เราต้องเรียนจากพ่อกรอจากครูเรียนมาจากครูบาอาจารย์แต่องค์หลวงปู่ของเราท่านก็ศึกษามาตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นท่านก็มั่นใจท่านจึงแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวลูกศิษย์ก็ไม่ใช่แต่อยู่ในเมืองไทยจากต่างประเทศก็มีต่างมากนี่แหละอันนี้ก็คือการแนะนาสั่งสอนของหลวงปู่ของเราเป็นผลงานของท่าน แต่วันนี้กถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเห็นว่าองค์หลวงปู่ของเราเป็นผู้มีอุปการคุณพวกเราจึงแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทที่ตาตลงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธตรงพ่ออยู่ห่างไกลจากกรุงเทพหลายร้อยกิโลหลวงพ่อก็ยังด้นดันมาเพื่อแสดงขึ้นความกตัญญูกตวเวทที่ตาในองค์ท่าน เพราะท่านเป็นผู้มีอุปกระคุณต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อแนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่องสมาธิหาไรได้หาได้ที่ไหนที่ครูบายจากระดับองค์หลวงปู่ที่เป็นปูชนิยบุคคลอย่างนี้ที่จะมาลงทุนลงรอนรงแรงแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนเพราะนั้นถือว่าวันนี้พวกลูกหลานทั้งหลาย ได้เห็นหลวงปู่นว่าสัมมนานั้นจะทัศนังได้เห็นสัมมนาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของ พ, พวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้ฟังทำคําสอนขององค์หลวงปู่เข้าไปอีกก็ยิ่งเป็นมงคลที่ลึกซึ้งเพราะพวกเราจะได้นํำทำคําสอนของหลวงปู่ไป ป, ปฏิบัติอํางชำระกายวาจาใจของพวกเรา เมื่อเราก็จะได้เห็นผลจิตใจสงบเป็นยังไงขั้นนิกาอุปจาระอ ป, ปนาสมาธิเป็นยังไงเมื่อจิตใจพอเราได้รับความสงบแล้วในหลักธรรมคาสอนของพุทธะอันวานนัติสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีที่จะทำให้สงบนั้นนอกเหนือจากสมาธิและไม่มีทางอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นที่จะทาจิตใจให้สงบได้ เพราะนั้นการที่จะทําจิตให้สงบนั้นอ่ะองหลวงปู่ของเราเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแนวทางสําหรับจะทําให้จิตใจสงบเพราะนั้นให้พวกลูกหลานทั้งหลายศึกษานะหลวงปู่ของเราท่านจะสอนเป็นเสเต็ปสเต็ปรวบเป็นขั้นตอนให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเอาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนะทีนี้นะจะแสดงธรรมเอาต่อ น, นี้ไปตั้งใจฟัง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 จินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไขว่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนจินตามายะปัญญาภาวนามยะปัญญาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นวิปัสสนาที่แท้จริงเพราะนั้นให้พวกเราพวกเราจะรู้ได้ จะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังตั้งแต่ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังบนนั้นในคราวนี้ครั้งนี้หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นพระอย่างที่โคศกได้ประกาศได้อ่านประวัติของหลวงพ่อหลวงพ่อยังมาคิดด้วยว่าเขาอ่านเอาประวัติของหลวงพ่อมาพูดได้ยังไงพูดได้ตรงนะ หลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ11เออปีบวชปี 2,500 เป็นเนรกึ่งพุทธการแล้วก็เมื่อปีศ8ก็บวชเป็นพระปีปีศนย์แดบวชเป็นพระปีนี้กับปีห9แปลว่าชีวิตของหลวงพ่อที่เป็นพระ5 1าสิบพรรษาเป็นสมมเณร8ปบวชหเเป็นเท่าไหร่ ล, ลูกหลาน เพราะนั้นชีวิตของทั้งชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะยาวนานที่เดียวออถึงเกือบจะ60ปีเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้แสดงความคิดเห็นเคยปฏิบัติมาอย่างไรผ่านมาอย่างไรรู้เห็นเป็นมาอย่างไรที่ศึกษาจากครูบาอาจารยออ์มาอย่างไรหลวงพ่อจะแสดงความคิดเห็น แนวแนวปฏิปทานหรือแนวปฏิบัติมาให้ลูกหลานเป็นการถ่ายอทอดความรู้สึกนึกคิดหรือว่าแนวปฏิปแนวปฏิบัติมาให้กับลูกหลานได้ฟังอย่างเมื่อกี้เนี่หลวงพ่อได้ประนมมือถามองค์ท่านองค์ท่านก็บอกว่าท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านตองโขบนาโมลอายุข่านน่าก็เพียง21 20 21เี่ส่อปียังเป็นพระน้อยพระหนุ่มที่เข้าไปศึกษาอยู่องค์หลวงปู่มั่น นี่แหละท่านก็ได้ศึกษาด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจแต่ปู่ี้อายุ96ปีพวกเรานับดูซิว่าอายุ22ถึง96พรรษาของหลวงปู่จะสักเท่าไหร่ที่ท่านฝากฝังเสียสิริเสียสละชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นถือว่าเป็นปูเป็นปูชนิยบุคคลเป็นบุคคลที่เป็นซับที่เลิศประเสริฐในยุค ป, ปัจจุบัน เพราะนั้นเอาต่อนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมในขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมลูกหลานคณะสไตล์ญาติโยมทุกหมู่เหล่านะ่ะห้ามถ่ายภาพที่มีแฟดนะและก็ห้ามส่งเสียงที่มีใครมีเสียงวิทยุมีโทรศัพท์ดังขึ้นม า, าให้ไปออกไปคุยกันข้างนอกอย่ามาคุยกันตรงนี้นะตรงนี้เป็นตรงฝั่งเป็นสถานที่ฝั่งธรรมไม่ใช่สถานที่รับโทรศัพท์ เพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะทศไทยญาติโยมอยู่ในความสงบถ้าพวกเราตั้งอยู่ในความสงบแลาจะได้ยังได้ฟังสิ่งที่หลวงพ่อจะได้กล่าวได้พูดให้ฟังจะเข้าใจในเรื่องที่พวกเราอยากจะเข้าใจแต่ว่าพวกเราไม่อยากจะฟังไม่อยากจะเข้าใจไม่อยากจะฟังพวกเราก็ไม่ควรจะอยู่ในระแวกนี้นะหลวงพ่อเองมั่นใจว่าพวกเราอยากจะฟังจึงได้มานั่งมาศึกษาธรรมะ นอนแรมวันแรมคืนหลายคืนแต่หลวงพ่อก็ได้ถามหลวง พ, อพ่อบุลมว่าเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันชินสุดในโครงการขององค์หลวงปู่ของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังนะทีนี่นะนะโมตัสสะภควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 อัปมาเดนะสัมปาเดทาตีติวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันอันเนื่องในพิธีฉลองอายุวัฒนะมงคลค ร, ร บ, รบครบเก้าสิบหกปีวงเล็บวงเล็บครบแปดรอบพระธรรมมงคลยาน วงเล็บวิริยังศิรินทราโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลและประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์รรมยุทธ์ในประเทศแคนาดาและในงานสวดชักขีบวชชีหมื่นคนวันที่8ปถึงส1อดมกราคมพุทธศักราช2559น้าห้าณวัดธรรมมงคล แขวงบางจากเขตพกักแน่งกรุงเทพมหานครเนี่แหละวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่องค์หลวงปู่ที่ท่านให้ลูกหลานได้จัดงานครบพรอบอายุเก้าสิบปีถือว่าเป็นมงคลพวกเราแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทที่ตาต่อองค์หลวงปู่วันนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคล และก็พร้อมกันหลวงปู่ท่านเน้นหนักเรื่องสมาธิพลังของสมาธิเรื่องสมาธิถ้าว่าพวกเราทุกๆคนขาดไม่มีสติคนที่ขาดสติไม่มีสมาธิเหมือนกับคนเป็นบ้าถ้าคนเป็นบ้าแล้วจะมีพลังได้ยังไงจะมีคุณภาพได้ยังไงเพราะคนขาดสติในเมื่อคนที่มีสติสัมปชัญญะ เมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองก็เป็นสมาธิถึงจะว่าสมาธิหรือไม่ว่าสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดไปเพราะอะไรเพราะสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทแต่ก่อนถ้าว่าไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาอธิบายให้ฟัง เรื่องสมาธิเหมือนกขอยู่ไกลไกลาจากพวกเราแต่ที่แท้แล้วอยู่กับพวกเราเรื่องศีลก็เหมือนกันเรื่องสมาธิก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่นับกับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นอย่างหลวงปู่ที่ท่านอธิบายให้ฟังต้นไม้ใหญ่เอ่อมีตั้งรากแกวรากฝอยมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพีมีทั้งแก่นและก็มีทั้งใบนี้ก็เหมือนกัน พุทธศาสนาของพวกเราที่องค์หลวงปู่ได้เปรียบเทียบให้กับพวกเราได้ฟังมีทานมีศีลมีภาวนาแต่พูดแท้แต่พวกเราจะยึดเอาแนวแถวปฏิบัติมาปฏิบัติกับตนเองได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนอย่างพวกทานเราจะปาฏิจากไม่ได้เราจะมองข้ามไม่ได้ทุกคนต้องมีฐานะคือการเสียสละ ถ้าว่าพวกเราไม่มีการเสียสละต่อกันไม่มีการมีน้ำใจต่อกันพวกเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หมาแมวสัตว์ก็อยู่กับมนุษย์ไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่มีการเสียสละเพราะนั้นเรื่องการทานะคือการเสียสละนี่การอยู่ด้วยกันมากน้อยต้องมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันอย่างพ่อแม่ก็ให้กับลูกจะ่ถ้าว่าลูกเกิดมาพ่อแม่ไม่ให้นม ไม่ให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารไม่ให้พ้อมอบุญพวกเราจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะนั้นเรื่องทานะเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องตอบสนองในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นเรื่องทานะคำนีนะ้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอย่างครูบาอาจารย์หลวงองหลวงปู่เขเหมือนกันท่านก็เสียสละให้กับพวกเราให้ธรรมะกับพวกเรา เลี้ยงดูพวกเราพวกเราขาดเรือขาดตกอะไรหลวงปู่ก็ดูแลพวกเราเนี่ยะคือฐานะให้ทำเป็นทานให้อามิตทานให้ความรู้วิทยาทานให้อภัยทานมีมากมายที่ฐานะคือการให้อย่างนันกเรื่องของศีลศีลก็ไม่ได้อยู่ไกลคนบางคนก็ไปถามหลวงพ่อเหมือนกันน ะ, อะบอกว่าเรื่องศีล ที่รักษามันอยู่ห่างไกลเกินไปเอออันนั้นคนคุณเข้าใจผิดเสียแล้วตามไม่จริงเรื่องศีล้นมันไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเราท่านทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทุกคนเยคือรักษาศีลห้าข้อที่หนึ่งเอออย่าฆ่าคิดฆ่ากันถ้าเมื่อเราไปเมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขาเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่น้องวงศาคณะญาติของเขาเขามาคิด วงค่าวงสาคานาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเสียใจใช่ไหมเราก็ตอบว่าเสียใจนะในเมื่อเสียใจเราจะไปทําให้คนอื่นเขาเนะมันอยู่ไกลไหมเขาเราเอเท่านั้นเองเมื่อเรามีสิ่งของขึ้นมาเราก็รักสงวนหวงแหนอย่างพ่อแม่พี่น้องวงสาคนาญาทของเราเขามาเอาวงสาคนาญาติพ่อแม่ของเรา ไปเรียกค่าไทย เ, เราไปเอาพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกฆ่าไทยอย่างนี้เราเสียใจไหมเขาเสียใจไหมทั้งเขาทั้งเราก็เสียใจพราะฉะนั้นอย่าทำํำ อ, อ, อย่าไปขโมยสิ่งอืสิ่งของของเขาจะเป็นรถจะเป็นรองเท้าอะไรก็ตามถ้าเป็นของเขาแล้วให้เคารพศิษย์สิ่งกันละกันอันนี้คือศิลข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิสาจาราเวร์มณี สามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนหวงแหนในเมื่อเราเป็นล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเราเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีอันนี้คือศินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรามาณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไปต้มตุ๋กโกหกหกกลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจยในเมื่อทาเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจยเขียนเช็คแดงให้เรากับเราอย่างนี้นะหรือว่าเอาตะกรว อ, อมาหลอกมาย้อมเป็นสีทองแล้วก็มาขายว่าเป็นทองคำอย่างนี้เรา ม, มีความรู้สึกยังไงเมื่อเราถูกตอกถูกหลอกถูกต้มแล้วเราก็เสียใจเมื่อเราไปทำให้คนอื่นเขาเขาก็เสียใจยเช่นเดียวกัน วันนั้นอย่ากโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขาอันนี้คือศี่ข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยมัฉะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทาความชั่วในทุกอย่างเพราะเหตุนใดเพราะขาดสติจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จระรับประหวงใส่ในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะขาดสติ เพราะนั้นให้พวกเราคิดดูจัวัดศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มของโลกในเมื่อเรามีศีลห้าดีแล้วศีลของเรารักษาดีแล้ว เ, เราไม่ผิดศีลในเมื่อเราเข้ามานั่งสมาธิก็เป็นสมาธิได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเราไม่ผิดศีลถ้าเมื่อเราไปทําผิดศีลมายกหยกไปคิดจะฆ่าเขาเขาไล่จับมาแล้วจะมานั่งสมาธิ พวกเราคิดดูสิว่ามันจะเป็นสมาธิได้ไหมไปขโมยเขามาเขากำลังจะจ่าย จ, จับขโมยตัวเองมานั่งสมาธิเป็นสมาธิได้ไหมตัวเองไปประพฤติผิดในสามีภรรยา เ, ออ เ, ออเขาจะเอาใส่คุกใส่โทษอยู่ตัวเองมานั่งภาวนามันเป็นยังไงเนี่ยหลถ้าหากว่าเรามีศีลดีแล้วสํารวมกายวายจาของเราดีแล้วเรามานั่งสมาธิก็เป็นสมาธิที่แท้จริง เพรานั้นขอให้พวกเรามันเป็นมาตั้งแต่เรื่องทานทานคือการเป็นอยู่วานการวางตัวให้ถูกต้องต่อพี่น้องวงศาขันนายาต่อพ่อแม่ทุกคนเมื่อเราวางตัวดีแล้วเมื่อรักษาสิ่งก็สํารวมกายวาจาของเราจากนั้นก็เมื่อเมื่อเราสํารวมกายวาจาดีแล้วเราก็มานั่งภาวนาภาวนาจิตใจของเราก็ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขนะ เพราะนั้นการภาวนาคํานี้นะ่ะหลวงปู่ของเราท่านเน้นหนักเป็นพลังนะพรังสมาธิท่านประกาศแล้วประกาศอีกบอกแล้วบอกอีกกับพี่น้องประชาชนสัตวายญาติโยมสอนแล้วสอนอีกเพราะฉะนั้นเรื่องครังสมาธิคํานี้นะ่ะ เ, เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธการในครั้งของพุทธายาพุทธา้าของเราที่ท่านหนีออกจากเวียงหวังไปบวช ไปอยู่ตามลำพังถึงหกปีนี่แหละไปค้นคว้าศึกษาเรื่องสมาธินี่แหละท่านไม่ได้ไปคุไปค้นคว้าศึกษาเรื่องอย่างอื่นไปคุดค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจของพระ อ, องค์ในวันเดือนหกเพลนคร อ, องไปนั่งสมาธิที่โคลนต้มโคลนหันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้า หายใจออกเนี่ยแหละคือกรรมฐานของพระพุทธายะคือไม่ให้ใจจิตใจของเราปงฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ ง, งเกิดญาณรัศนะเกิดฌานขึ้นมาเรียกว่าปฐม่ปุเพนิวาสานุสติญาณ น, นี่แหละเมื่อกี้เนี่ยหลวงปู่ท่านเขาได้พูดเรื่องของฌาน ถึงจะตุทธาฌานปฐมปฐมฌานตูติฌานเจติฌานจะตุทธาฌานอันนี้เป็นโลกิยะจนถึงเวชัญญาเวทะยิตนิโรตสมาบัตอันนั้นคือสารที่เจ็ดที่แปดนะอันนี้เป็นอรูปฌานแต่ตามให้จริงก่อนที่จะเป็นฌานไปได้มันต้องออกไปจากสมาธิสกอดถ้าหากจิตใจของเราจิตใจไม่เป็นสมาธิ สติของเราไม่ดีไม่เป็นสมาธิจะเกิดฌานไม่ได้เพราะฉะนั้นฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจะไม่เน้นไม่เน้นหนักเรื่องฌานฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่รูปฌานอรูปฌานท่านจะไม่เน้นหนักท่านจะเน้นหนักเรื่องคณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิท่านจะเน้นหนักซึ่งสมาธิที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ได้นําสั่งสอนบอกกล่าวคนนั้นเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานในวันเดือน6เป็นที่พระพระุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในตอนหัวคำ่ำลาลึกชาติผลหลังได้ในี่หลักๆของพุทธศาสนาเรียว่าปุเพนิวาสานุสติยานลำลึกชาติผลหลังได้ตายแล้วไม่สูญหลักของพุทธศาสนาท่านยืนหยัดยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกถ้าว่าตายแล้วศูนย์พวกเราจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรเพราะตายแล้วมันศูนย์อย่างเราเกิดมาวันนี้วันเดียวเน่ยเกิดมาวันนี้มันไม่ได้เกิดมาแต่เมื่อวานเราก็ระลึกถึงเมื่อวานไม่ได้วันก่อนไม่ได้อาทิตย์ก่อนไม่ได้เดือนก่อนปีก่อนไม่ได้เพราะเหนแ้วเราเกิดมาวันนี้วันเดียวนี่นี่แหละหลักของพระธศาสนาท่านว่าระลึกชาติผลหลังได้ก็คือมีหลายพบหลายชาติที่ก่อนที่จะมาเกิด เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในชาดกท่านพูดที่ยาวเยียดอย่างองค์ลพปูที่ท่านพูดว่านางวิสาขาเนี่ยที่เป็นมหาอุบาสิกาท่านได้เกิดมาใช้ภพใช้ชาติมานานเท่าไหร่กี่กี่หมื่นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาตินี่แหละอันนี้ก็คือเราบอกปุกเพนิหว่าสานุจติญาณละลึกชาติผลหลังได้อันนี้คือตอนหัวคําพอถึงเที่ยงคืน พระองค์ได้มองดูสัตว <ose> ์สัตว์ทั้งหลายมองดูว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงทําไมเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันทั้งที่เกิดมาในมนุษย์โลกเหมือนกันเป็นคนเหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันอากับกริยาต่างกันขี่ร้ายขี่เละต่างกันสติปัญญาต่างกันความมั่งมีสีสุขต่างกันทําไมมนุษย์จึงไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะพระองค์ก็มองดูมองดูวิญญาณแต่ละวิญญาณแต่ละดวงวิญญาณพระองค์มองดูแลตรวจราดูแ ล, แลวกรรมเป็นเครื่องจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาถ้าว่าใครใครทำกรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลดีถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลกับคนคนนั้นดวงวิญญาณดวงนั้นท่านจึงเมื่อท่านได้ให้โอวาทปะ โอวาทปฏิโมกข์กับภิกษุสงฆ์ท่านจะว่าอัคกกตงังดุ ก, กตังเส้ยโย ป, ปัตชาตปติดุ ก, กตงังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละอยเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธะท่านหวนเน้นถึงเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทํา การทำกรรมทำได้สามทางมโนกรรมคือแนวความคิดกายกรรมคือการกระทำวจีกรรมคือการพูดนะ่มะโนกรรมคือการคิดคิดทำไมเป็นบาปนะเป็นบาปนะคิดเเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคิดซะก่อนจะค่อยทำคิดซะก่อนจะค่อยพูดเพราะนั้นก่อนตอนคิดเน่นก็เป็นบาปนะคิดโลภอยากจะได้ของของเขานะ่คิดพยาบาทปอมร้ายเขาหนึ่ง เห็นผิดจากทานองครองทรหนึ่งอันนี้คือความคิดส่วนกระทำนั่นคือฆ่าสัตว์หนึ่งขโมยทรัพย์หนึ่งกระพิดผิดในสามีภรรยาคนอื่นหนึ่งโกโกหกหนึ่งแล้วกระดิมสุรานโกหกนี่คือมุสาคือวาจา กายกรรมวัจีกรรมวจีกรรมคือโกหกพูดโกหกพูดสอเสียดพูดคําหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้พูดยุแยงกระแทงให้รั่วแตกแยกสามัคคีกันอันนี้ก็คือวัจีกรรม เ, เมื่อเราทํากรรมทําได้สาทางมัดโนกรรมกายกรรมวัจีกรรมเพราะฉะนั้นให้ระวังอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีถ้าว่าทำสิ่งที่มันไม่ดีถึงจะคิดไม่ดี ทำไม่ดีพูดไม่ดีกรรมไม่กรรมที่ทำที่ไม่ดีนั่นแหละจะให้ผลตนเองนั่นแหละ่าเดือดร้อนเมื่อภายหลังในเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีให้ผลตนเองจะมีความสุขความเจริญทั้งหน้าที่การงานอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขไฝ่ไหลเพราะกรรมดีให้ผลเพราะนั้นการกระทากรรมทาได้สามทางพอจวนสว่างพระองค์ก็ได้มองดูว่า ใจดวงนี้มาจากไหนที่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี่ที่หาที่สุดทิ้งที่สิ้นที่สุดไม่ได้ลุ่มลุ่มดอนดอ น, ดอนสูงสู ง, สงต่ำต่ำบางทีก็มาเกิด เ, เป็นสัตว์ที่ไรฉันเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้ า, จ, าจักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินเศรษฐีพ่อค้าเป็นได้ทั้งหมดพราะอะไรดวงนี้มันมาจากไหนก็มาจากนี่แหละเครื่องกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ ที่ทำให้จิตใจดวงนี้ามาเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นพระองค์จึงใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอย่างที่องค์หลวงปู่ที่ท่านได้พูดว่าเอาสมาธิเป็นสุดท้ายนี่แหละที่นำม า, าทำจิตใจให้สงบจากนั้นก่อนนำมาพิจารณ า, เ, าเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นหละ เ, เมื่อจิตใจสงบ เ, เป็นหนึ่งแล้วนะจากนั้นก่อนนำมา พิจารณาทางวิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองจากนั้นพระองค์ก็ชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของโพงค์พระไทยของพระองค์ใจของพระองค์จึงบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันต ก, การเป็นอมตะธาตุเป็นอมตธรรมเป็ น, ปนจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลส อันนี้แหละคือวันเดือนหกเพนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพนั้นท่านได้ญาณได้ญาณรัศนะสามอยา่างอันดับแรกก็คือปุเพนิวาสานุสติญาณเที่ยงคืนจุตูปปาตญาจวนสว่างอาสาวกไหญ่าณอันนี้คือพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้มาเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทัน้งหลายอย่างองหลวงปู่ท่าน ยกหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนแนะนำสั่งสอนเรื่องสมาธิพลังสมาธิหลวงปู่มั่นท่านสอนอยังไงท่านบอกว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายสถาญาตโยมลูกหลานทั้งหลายในเมื่อฝึกจะฝึกสมาธิอยู่ตามลําพังเนี่ยให้เข้าไปห้องพระก็ได้ทั้งสามีภรรยาลูกก็ได้เข้าไปก็ไหว้พระซะก่อนกราบพระอรหงังสวาขาโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็ น, นะโมตัสสะ แล้วก็สวดอย่างเมื่อกี้เนี่ยอิติปิโสภาคะวะอะาหาังสัมมาแล้วก็สวะขาโตสุปฏิปันโนจากนั้นเราก็แผ่เมตตาคําว่าแผ่เมตตาคํานี้น่ะอาหารสุกิโตโหมิณิทุโหมิอเวโรโหมิถ้าเราสวดไม่ได้เราสวดเป็นภาษาใจของเราก็ได้นั่งประนมมือทําใจให้ๆๆๆเด้งเน่งจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไรโลกกธาติขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปราถนาวงทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณด้วยเถิดอันนี้แหะคือแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีการผูกเวรผูกภัยไม่มีการจองร่างจองผานกันให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้แหะคือแผ่เมตตา คนที่มีเมตตาในจิตใจแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็ยนผ้าสุขอั น, นี้ขอฝากไว้กับคณะสัตยาติโภตุลูกหลานทุกคนจากนั้นเมื่อนั่งเมื่อเราไหว้พระจบแล้วเราก็หันหน้าไปทางพระประธานจะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านให้นั่งขัดสมาธิเพราะ ร่างกายของเราจะนั่งในในการส่งตัวและการนั่งตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาถ้าเรานั่งพับเพียบมันจะเอียงข้างไหนข้างหนึ่งแต่เรานั่งสมาธิมันจะตรงเพราะฉะนั้นเมื่อนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วขาขวาทับขาซ้ายแล้วให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะการนั่งสมาธินี่ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของพระองค์ใดองค์หนึ่ง เป็นของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมาแต่ครั้งพุทธกาลจากนั้นคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอจากนั้นพระสงฆ์ได้นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่บอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอย่างนั้นเมื่อเราจะทำเมื่อเราจะทำสมาธิพวกเราควรจก็บปนมือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าปนมือขึ้นระหว่างพุทโธ ทำโมสังโฆพุทธโธ ท, ทำโมสังโฆพุทธโธ ท, ทำโมสังโฆสามจบคือไหวพพธธ้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วลึกถึงพระคุณของท่านจ้ะก่อนจากนั้นก็เอามือหลงพอเอามือลงขึ้นมาแล้วกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทคือหลงปู่มัน่นท่านบอกว่าถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดามันจะหลงหลืมได้ง่ายมันหลงเงินได้ง่ายมันหลงซ่อนได้ง่าย พราะนั้นพวกเราควรจะสำทับด้วยพุทโธหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโธพุทโธนี่แหละอันนี้ก็คือการภาวนาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นในเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบหรือวันนิ่งอพอจิตใจรวมสงบเ ม, เมื่อจิตใจเราไม่ส่งออกไปข้างนอกใจของเราจะเย็นมีความรู้สึกเย็นมีความรู้สึกในระดับหนึ่ง เย็นว่างในใจพอเย็นเขามาแล้วกะออกไปอันนี้ขนาดเย็นเพียงแค่นั้นล่ะเราก็ยังจำไม่ลืมนะท่ะนนานศรัทธาญาติโยมลูกหลัาอันนี้เรียกว่าคณิกาสมาธิในเมื่อเรานั่งต่อไปอีกเราดูจิตใจของเราอีกมันมันโปงฟุ้งไปทางไหนเราเอาสติควบคุมจิตไม่ให้มันออกไปข้างนอกให้มันอยู่กับอารมณ์เรว่เอาสติควบคุมจิตไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอกเราอยู่ใน ในอารมณ์เราก็รู้ว่าเราอยู่ในสถานที่ใดแต่มันไม่ปุ๋งไม่ฟุ้งไม่ซ่าอันนี้เรียกว่าอุปจาระนะแต่เมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งอีกดิ่งลงไปอีกจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิ เรารู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันชัดเจนในจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูตรร่างกายในตายแนย่เอาไปเผาไฟทิ้งแหละแต่นามธรรมคือจิตใจนะ่ยต้องออกจากร่างนี้ไปไปเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆเห็นได้ชัดในความรู้สึกของตนเองอันนี้แหละเรื่องสมาธิเนี่ยถ้าเราฝึกเข้าไปแล้วเราจะเห็นใจกับกายกายกับใจ เป็นคนละอย่างกันได้หลวงพ่ออดคิดไม่ได้เมื่อไม่นานมานี้นะพี่น้องชาวอินโดนีเซีย เ, เขาเมื่อสี่ห้าปีให้หลังหลวงพ่อไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะหลวพ่อไปแล้วลบพ่อไปแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่แหละให้ภาวนากรรมฐานพุทโธพุทโธนะหลวงพ่อก็พูดไปหลวงพ่อก็ไปได้ห้าหกเจดวัน หลวงพ่อก็กลับมาแต่รู้สึกว่าไปในคราวนั้นครั้งนั้นไปเห็นพี่น้องชาวอินโดนีเซียแล้วก็โอ้หน้าประทับใจเพราะเหตุไรเพราะเขาเ อ, อ, อาราธนาเขาไหว้พระก็พูดพูดพร้อมกันอาราธนาศีลเขาพูดพร้อมกันเป็นคนเป็นพันนะ อ, อ, อาราธนาเทศเขาก็พูดพร้อมกันอาราธนาพระปริศเขาก็พูดพร้อมกันสมันตาเขาก็พูดพร้อมกันหลวงพ่อโอ้เน่ฝึกได้ดี เ, เมืองไทยของเราบางแห่งพออรัตนาะศินก็ให้คนหนึ่งเป็นคนพูดคนนั้นก็ น, นั่งฟังออพอคนนั้นไม่มาในวันนั้นเท่านั้นแหละออมองหากันทำอะไรก็ไม่เป็นเ อ, อควรจะเอาเป็นตัวอย่างหนะลวงพ่อก็จะไ้พูดพอไปเห็นพี่น้องชาวอินโดนะทั้งที่เขาเป็นพุทธศาสนาพึ่งฟื้นขึ้นมาอีกรอบที่สองออรอบที่สอง น, ะออนี่แหละ อันนี้คือหลวงพ่อไปอยู่ที่อินโดจากนั้นหลวงพ่อก็แนะนําสั่งสอนเรื่องวิธีการทําสมาธิอย่างที่หลวงปู่ที่ท่านแนะนําสั่งสอนน่ยทอนี้เขาก็นั่งสมาธิจากนั้นก็จบไปละท่านงพ่อหลวงพ่อก็กลับมาได้ผลไม่ได้ผลยังไงหลวงพ่อก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะบอกไปเพียงเจดวันแต่ทอนี้นเขาก็ภาวนาแต่เขาเป็นศึกษาในสายที่เบสเพราะอินโดนีเซียเนี่ย ทั้งที่เบกทั้งเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่น อ, อทั้งเขมรทั้งลาวทั้งพม่าทั้งไทยสีลังกาไปว่าครบทีมในพระที่ไปสู่อินโดนีเซียเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่กว้างขวางที่เมืองพุทธศาสนาทั้งเจ้าแม่กวนอิมด้วยทีนี้เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่มาพบกับหลวงพ่อเนี่ยมาสาสามพ่อแม่ลูกนะไ อ, อ้พ่อมาก็มา ที่วัดป่านาคำน้อยหลวงพ่อเห็นเออเออขามาอะไรถามว่ามาจากอินโดพระเป็นผู้พานำมาพระอยู่เมืองอุดรเราก็เลยถามพระว่าไปยังไงมายังไงเขาบอกว่าเขาศึกษาปฏิบัติสายที่เบตสายที่เบตดเขาให้ดูท้องเออขาให้ดูท้องหลวงพ่อคิดว่าเขาคงจะกําหนดให้ยุบองยุบพองยุบหนอพองหน อ, หนอเวลาหายใจกำลัง ก็ให้ดูดูที่ท้องล่มเข้าไปในท้องเอจากนั้นเขาบอกว่าที่เขาแปลกนะที่เขาติดตามหลวงพ่อมาเขานั่งภาวนาพอนั่งภาวนาจิตใจของเขาก็สู่ความสงบพ่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วมันจิตของเขาออกไปอกีกมิติหนึ่งเขว่ากันนะเหมือนไปยืนอยู่ข้างหลังมันเหมือนไปยืนอยู่ข้างหลังตัวเองแต่มีความสุขมาก เย็นใจมากมีความสุขจริงๆเองจิตใจรู้สึกมีแสงสว่างออยู่ในจิตใจในช่วงนั้นแต่ว่าขณะที่จิตออกไปอยู่ข้างนอกอย่างนั้นะแต่ตัวเองคอพับเลยตัวนี้เหมือนกับตายพวกที่นั่งสมาธิด้วยกันเอ๊ะทําไมมันเป็นยังไงไม่ใช่ตายแล้วเหรอเขาก็จับขึ้นมาพอจับขึ้นมาตัวหายใจลมหายใจเข้าหมด ไปบอกแพทย์มาแพทย์มาก็มาดูอีกมาดูที่ประจอนอีกมาเลยอูตายแหละเออคนคนคนที่ตายแหละพ่อตายเสร็จแล้วเขาคนน่ะเออเขาก็เอาคนเก็บเศษที่เหลือเขาเอาเข้าไปในห้องดับจิตคงจะใกล้โรงพยาบาลอยู่มั้งแต่แก่พูดให้ฟังนะเออพอข้อเขาสิเขาก็เลยโทรไปหาย่าบอกว่าย่าของคุณนะนะ่ะไปนั่งภาวนาไปนั่งสมาธิโดยกันตายแล้ว เออพวกญาติก็โบกเวกมวยวายหัวตายได้ยังไงมันเขาเคยเป็นไนอ้ญาติของเราคนนี้ไปดูที่เป็นยังไ ง, ขงเขาขรีบมาดูเรื่องว่าเขาออกมาจากห้องดับจิตนะออกมาจากห้องดับจิตพอออกมาแล้วก็สักพักหนึ่งใหญ่ๆนะเออเขาเป็นอยู่ประมาณสี่เกือบห้าชั่วโมงวันนะั้นจากนั้นใจของเราก็ถอยขึ้นมาเป็นปกติฟื้นคืนมาพอคื้น ค, นคืนมาที่นี่เขาก็รู้ได้แล้วว่า เออโอ้ไม่เป็นผลดีแต่หลวงพ่อก็คิดว่าที่เป็นแพทย์เป็นหมอเขาคงจะตรวจตาดูแบบหุยห่วยนะ่ะคงจะไม่ดูรายละเอียดมันคงจะไม่หมดถึงขนาดนั้นบ้างหลวงพ่อคิดว่านะมันคงจะเออไม่ใช่ว่าจะหมดจนไม่มีอะไรเลยไม่น่าจะเป็นอยา่างขึ้นขนาดนั้นนะแต่ต่อม า, เข า, เ, ขาเขาก็กลัวอยู่วัดวัดพวกกลัวแต่พอนั่งเข้ามาอีกเนยเป็นอีกเป็นรอบที่สอง ก็เป็นลักษณะอีกอย่างเก่าอีกเขาจากนั้นเขาก็เลยเข็ดขยาดกลัวเลยไม่กล้านั่งสมาธิทีไห น, นเพราะหะไหรเพราะกลัวเพราะกลัวตายบางทีถ้าหากว่าไปนั่งผิดที่ผิดทางไม่มีคนของตัวเองไปอยู่ด้วยไม่รู้จักคู้เรื่องออพอเผลอเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะไปฝังดินก็ได้อย่างเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นชาวมุสลิมเขามากเขาจะไม่ข้ามวันข้ามคืนในการ เฝังศพของเขาแต่นี่เขาก็กลัวเขาไม่กล้าทำจากนั้นเขาเลยมาหาหลวงพ่อที่นี่มาที่วัดนี่แหละพระองค์นี้แหละที่ไปสอนสมาธิอยู่ที่อินโดนีเซียรูปองค์นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ที่เมืองเมืองไทยอยู่ที่ไหนเขาก็เลยมาที่อุดรพอมาเขาก็เลยยื่นภาพหลวงพ่อให้กับพระที่จังหวัดอุดรดูพระแล่โอ้อันนี้หลวงพ่ออิน เขาก็เลยพาไปพ่อไปเส็นแล้วลเขาก็เลยเล่าเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่ อ, อเออเออก็แปลกเหมือนกันแต่หลวงพ่อกขาบอกเอากําพลกําหนดพิจารณาอะไรเขาบอกกําหนดอย่างนั้นนั้นอย่างพูดในหลวงพ่อที่เล่าให้ฟังนละหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าว่าคุณจะปฏิบัติตามแนวแถวสายหลบปูมั่นนะอาตมาก็จะสอนวิธีการวิธีกรรมให้ถ้าว่าคุณจะปฏิบัติตามนะถ้าเชื่อนะ ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์คุณจะต้องไปไปฏิบัติตามนั้นแต่ที่ตามแนวแถวของสายหลงหูมันนะเมื่อคุณนั่งสมาธิอย่างนีน้เมื่อจิตใจก็สู่ความสงบใจมันสะละออ่มั่นใจมันส่งออกนอกใจมันส่งออกไป อ, อีกมุมหนึ่งนี่แหละก็ีว่าใจส่งนอกพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นได้พร้อมที่จะเป็นบ้าได้พร้อมที่จ ะ, จะเกิดวิปัสสนาอุปกิเลสได้ เพะนั้นเวลาคุณนั่งสมาธิคุณอย่าส่งออกไปข้างนอกในเมื่อเห็นลักษณะอย่างงั้นให้คุณย้อนเข้ามาหากรรมฐานเดิมกรรมฐานที่คุณกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธนะอย่าให้มันออกจากที่นี่อารมอย่างนั้นมันจะหายไปเองแต่ถ้าว่าคุณพอเห็นอารมอย่างนั้นคุณตามอารมไปมันจะไม่มีที่สิ้นสุดมันจะเห็นปูผาป่าไม้มันจะเห็น เ, เทวบุตรเท ว, วดาอินผมเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นไปหมดมากมายทีเดียวถ้าว่าคุณเดินตามนิมิตที่ส่งออกไปข้างนอกนั้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณถ้าจะศึกษาตามแนวแถวสายล้มปุ่มัดคุณไม่ต้องสมใจออกไปข้างนอกให้มาอยู่กับกรรมฐานกรรมลมหายใจเข้าหายใจออกพอมันแสลปออกไปเนะดินกลับคืนมาแต่ถ้ามันส ง, งบ มันสงบคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นอันนี้คือสมาธิอัอปปนาสมาธิจากนั้นก็ถอนขึ้นมาในเมื่อถอนขึ้นมาแล้วนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาวิปัสสนาคือวิปัสสนึกนึกคิดซะก่อนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนสอนในหลักธรรมคาสอนเขาว่า กรรมฐานห้าเกสาผมโลมานขนนัาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้คือกรรมฐานห้าหรือเราจะพิจารณาเป็นธาตุสีก็ได้ในร่างกายของเรามีธาตุสีดินน้ำลมไฟดินคือกระดูกผมคือของแข็งในกระดูกในร่างกายกระดูกฟันกระดูกทุกส่วนอันนี้คือธาตุดินธาตุน้าก็คือปัจจวะเลือดน้าตา อันนี้เรียกว่าธาตุน้ําธาตุลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในลาไส้ของเราอันนี้คือธาตุลมธาตุไฟคือทํำให้ร่างกายอบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยหรือทำให้ร่างกายเราร้อนเหงื่อออกอันนี้คือธาตุไฟคนเรา ม, มนุษย์ของเรามีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟถ้าเป็นปู๊เป็นบาลีก็ว่าพัฒวีธาตุคือธ า, า, าตุดิน อาโปธาต์คือธาตุน้าเตโชธาตคือธาตุลมเตโชธาตคือธาตุไฟวายโยธาตคือธาตุลมนี่แหละคือธาตุสีเราจะพิจารณาเป็นธาตุสีก็ได้หรือพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังปืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าจาแนกเหมือนกับหมอ อาจารย์หมอแยกอาจารย์ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแยกร่างกายให้ชำแหละร่างกายของพวกเราให้เป็นส่วนๆอันไหนคือเราอันไหนคือเป็นของเราในเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วอันไหนคือร่างกายมันของไม่เที่ยงอีกสักวันหนึ่งอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลงไฟไม่เป็นอย่างอื่นเขาก็บอกว่าเขาพิจารณาอยู่ในเมื่อจิตใจของเขาเข้าสู่ความสงบนะเขาว่า เขาก็พิจารณาร่างกายเผาร่างกายของเขาเป็นฝุ่นเลยนะเป็นดินเลยเอเขาภาวนาจนเป็นดินและก็เป็นดินและมีเม็ดมีก้อนในดินนั่นเอีกก้อนเล็กๆเหมือนกับเป็นพระธาตุพัฒนาอย่างนั้นแ่ะที่เขาอธิบายให้พูดให้ฟังเลยว่านะหลวงพ่อก็ถามว่าในเมื่อคุณพิจารณาถึงธาตุสีอย่างนั้นแล้วคุณได้คิดอะไรต่อไปไหมเขาว่าไม่เห็นธาตุสีเห็นธาตุดินเท่านั้นเป็นเม็ดแล้วก็จก เห็นเพียงแค่นั้นะวัดเออในเมื่อคุณเห็นเพียงแค่นั้นให้คุณย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้อีกนักทีนึงนะใครรู้ว่าเห็นก้อนดินใครเป็นคนรู้ว่าเห็นดินนั่นแหละเออถ้าว่าคุณไปเห็นแต่ดินเฉยเฉยไม่ได้ดูผู้ที่เห็นนะั่นคือใครให้ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจในเมื่อคุณย้อนมาหาตั ว, ต ว, ตวผู้รู้ <ๆ S 1> คือใจตัวผู้รู้นั่นแหละ มันจะมองตอนเองถึงมารู้ด้วยตัวเองใจของเราเนี่เออมันจะเกิดอ น, นิจจังคือของไม่เที่ยงเออมันตรุติดูเด็กตเด็กอยู่ในจิตใจสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตานี่แหละการปล่อยวางปล่อยวางที่ใจนะ เ, เห็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนิพพินิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ ในการที่เห็นจิตใจแต่เราไปเห็นตระท่าสีเฉยๆได้อยู่ในสมาธิเฉยๆนะนั้นอย่างนะอันอย่างเป็นสมัติฐคือทําจิตใจให้สงบแต่เมื่อเราจิตใจผ่านความสงบจิตใจเป็นสมาธิมาโดยตลอดแล้วเนะเราเมื่อพิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจจะเห็นใจได้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะจิตใจของเราผ่านความสงบจิตใจผ่านความเป็นหนึ่งมาแล้วมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เห็น เป็นปัญญาที่แท้จริงว่ไาไงเพราะจิตใจของเราผานเป็นสมาธิผ่านความสงบเพราะนั้นให้คุณดูกายเสร็จแล้วให้ดูใจพอดูใจเสร็จแล้วให้ดูกายดูกายแล้วให้ดูใจเราจะคุณจะไปดูแต่กายอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูใจด้วยตูผู้รู้คือนามะธรรมาใจดวงนี่แหละไปหลงไปหลงร่างกายหลงร่างกายของตัวเอง ว่าร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่ช่วงฟ้าดินสลายจะอยู่นานเท่านานแต่ไม่ใช่นะร่างกายเนะี่ยอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแปสภาพลงไปสู่ดินน้ำลงไฟตายร่างกายตายในเมื่อตายไปแล้วเนะี่ยขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรายศถาบรรดาศาักล่ะญาติโกโหติกาพี่น้องลูกหลานทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงละ่ะจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรา นี่แหะการพิจารณาธรรมมาพิจารณาร่างกายเดี๋ยวนี้ใจของเรามันหลงร่างกายหลงร่างกายให้พิจารณาร่างกายไม่เห็นร่างกายรู้แจง้งเห็นจริงไม่ไม่หลงไม่ห ล, ลงร่างกายเกิดความเบื่อหน่ายคลายที่ร่างกายมาเบืดูที่ใจเบื่อหน่ายที่ใจอีกไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจปล่อยวางที่ใจเพราะใจของเราก็เป็นเอนิจจ์เป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยแหละสิ่ง ที่มันรู้ขึ้นมาอีกมิติหนึ่งตะ да ก่อนเหมือนกับเราไม่รู้หนังสือเราเดินหนังสือไม่รู้หนังสือแต่เม <ng> ื <institute. S 1> ่อเรารู้หนังสือความไม่รู้นั่นแหละความรู้น่ะมันมาจากไหนไอ้ตัวที่มันไม่รู้มันไปหายไปไหนนี่แหละตัววิชาคือตัวไม่รู้มันจะหายไปตัวที่รู้มันก็เกิดขึ้นมาทอดแทนนี้ก็เหมือนกันท่านได้ตัดสู้อนุตรพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านไม่ได้ตัดสู้ที่ไหนนะ และท่านดูที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจพระอรหันต์ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั่นเองพวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันใจของเราเนะี่ยมันหลงกลุงร่างกายว่าเป็นตัวตนเพราะมันเกิดมาแต่แต่ทีแรกมันก็หลงร่างกายนี่แหละหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนให้กับพี่น้องชาวอินโดท่านนั้นจากนั้นก็ยังหายเงียบไปอยู่กลับไปแล้วนะเอแ ต, แต่ช่วงออกพรรษาไม่หม่ปีนี้ี่ย ่หลวงพ่อจึงได้แนะนําบอกกล่าวให้กับคณะสหายญาติโยมลูกหลาน ก, การที่ทําสมาธิเนี่ยการที่จะศึกษาครูสมาธิเนี่ยต้องศึกษาฝึกตามพ่อกอ่อตามครูต้องศึกษาจากองค์พ่อจากองค์ครูบาอาจารย์จากองค์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนจึงจะไม่หลงทิศหลงทางแต่พวกเราฝึกผฝนไปบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเลย ก็ทําให้หลงทิศหลงทางได้ไง่ายๆเหมือนกันนะวันนั้นขอให้พวกเราคณะสัตา ย, ยาญาิโยมทูกหลานทุกคนนวันนี้หลวงพ่อคิดว่าจะไม่แสดงธรรมไม่เทศนานแต่เห็นว่าพี่น้องประชาชนเป็นหลายคนเป็นหลายมากมายหลายๆทีเดียวหลวงพ่อจึงแสดงความคิดเห็นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่จริงยังไงให้พวกเราศึกษาแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงปู่ของเราที่ท่านได้นําสั่งสอนบอกกล่าว ต่อไปท่านคงจะสอน <c oughs> เป็นระดับระดับขึ้นไปอีกเป็นสมาธิขั้นต้นขั้นกลางผลในสุด ข, ขั้นสุดท้ายท่านจะติวเข้มให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นการกล่าวจำโอทนิยกถาในวันนี้ที่หลวงพ่อยกเป็นพุทธภาษตเบื้องต้นว่าบันฑิตานันจะเซวนาบันติดคือบันติตคือ พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ของเราหรือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหะคือบัณฑิตนักปราชญ์ศีลห้าคือบัณฑิตทานศีลภาวนาบัณฑิตสมถะวิปัสสนาคือบัณฑิตนักปราชญ์ให้พวกเราเข้าไปศึกษาเข้าไปใกล้นักศึกษาในบันณฑิตนักปราชญ์องค์หลวงปู่ของเราก็เป็นบันณฑิตนักปราชญ์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ดฟังได้ศึกษา บูชาจะกูชนิยานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาองค์หลวงปู่ของเราเป็นปูชนิยบุคคลเป็นปูชนิยสถานหรืว่าเป็นสิ่งที่พวกเรารักเคารพนับถือที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเรารู้ดีรู้ชัวรสิ่งควรไม่ควรที่ท่านองค์หลงปู่แนะนำบอกกล่าวจากนั้นหลวงพ่อย้ำท้ายว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆารา อปมาเดนะรำป า, าสัมปาเดทาติหลงพ่อย้ำว่าสังขารทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานในวันเดือนหกเพนนนั้นพระองค์ตรัสว่าขยวัวยะรรมมาสร้างคาราสังขาราขาทั้งหลายไม่เที่ยงเน อ, เ, อ, อเราก็ตรทาพตก็จะไปเดินเร็ววันนี้แหละ ว, วันนี้ จะปรินิพานแล้วร่างกายสังขารไม่เทียงถึงจะอยู่ในระดับไหนเถอะล่ํำรวยมัางมีสีสุขขนาดไหนก็เถอดอีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งร่างกายอันนี้ในว่าขยะวะยธรรมมาสังขารสังขารทั้งหลายไม่เทียงอัปมาเดนะสัมปาเดท่าติขอให้ท่านทัน้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนกันนี่แหละเอออย่า ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติรักษาศีลอย่างได้ขาดตกบกพรองให้ทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดรับประโยชน์คนอื่นช่วยเหลือสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนสังคมแก่โรคของเขาอย่างองค์หลวงปู่ของเราเนี่ยท่านช่วยสาธารณประโยชน์ในเมื่อท่านองค์วัวของท่านพร้อมแล้วท่านก็พร้อมที่จะแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยม เป็นเรือนหมื่นเรือนแสนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละประโยชน์ท่านท่านก็ไม่ได้ตั้งท่านไม่ตั้งอยู่ในความประมาทท่านทำทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าท่านไม่ไว้ใจในการเป็นอยู่หรือชีวิตของท่านล้างร่างกายของท่านเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนและก็พร้อมเันท่านก็ทาประโยชน์ตนของทำประโยชน์ในตัวของท่านพร้อมจากท่านท่านก็ เมื่อพร้อมในตัวของท่านท่านก็แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนพวกหมูหลาย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้คือหลวงปู่ของเราปฏิบัติตามทำคำสอนของพุท ธ, ธนะการกาดสัมโมทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภาศีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดพระสยามเทวาธิราชด้วยบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายและกับบุญบารมีของหลวงปู่วิริยังของพวกเราขอให้มาคุ้มของลูกหลานขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆ ท, ท่านด้วยเถิด